จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันสูงที่24พฤษภาคมพุทธศักราชส5 5พเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทานพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันมา วันวิสาขบูชาวันที่เรามารำลึกถึงการตรดสู้การตัดสินและการเสด็จดับขันธ์ทางปณิพานของพระบุมศาสดาพาาระอรหันต่สัมมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณประเสริฐต่อสัมโลกทั้งปวงเพราะมีพระองค์เียงพระองค์เดียว ที่จะสามารถช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระองค์ทรงเปรียบเหมือนแพทย์เหมือนหมอที่วิเศษที่สามารถรักษาโรคภัยต่างๆของร่างกาย ให้หายได้หมดทำให้ร่างกายไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายนี่คือความวิเศษความประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้พระองค์เป็นผู้ที่ตัดสรูปก็คือพบวิธีที่จะรักษาโรคภัยต่างๆ ของเราให้หมดไปทำให้พวกเราไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายกัเนอีกต่อไปวิธีที่พองสองคนพมก็คือความรู้ที่รู้ว่าความแก่ความเจ็บและความตายเป็นผลที่เกิดจากการเกิดนั่นเองถ้าไม่เกิดก็จะไม่ต้องแก่ ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายและสองคนพบว่าต้นเหตุของการเกิดก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจโดยเฉพาะความอยากสามประการคือหนึ่งความอยากในกามอารมณ์เช่นอยากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความอยากชนิดที่สอง ก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากร่ออยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตนัความอยากชนิดที่สก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากทั้งสานี้จะเป็นตัวขับดัน ให้จิตนี้ต้องไปเกิดใหม่เรื่อยๆเช่นพอร่างกายอันนี้หมดสภาพไปใจที่ยังมีความอยากทั้งสาม้อยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ฝัาเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด สนกว่าจะสามารถหยุดความอยากทั้งสานี้ได้และวิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดสรู้ว่าต้องหยุดด้วยการให้ทานหยุดด้วยการรักษาศีลหยุดด้วยการภาวนานี่เป็นเครื่องมือหรือเป็นยาที่จะทำลาย เชื้อของภพชาติซึ่งเป็นเหมือนกับเชื้อโรคของร่างกายถ้ายามีกำลังมากกว่าเชื้อโรคเชื้อโรคต่างๆก็จะถูกยาทำลายไปหมดพอไม่มีเชื้อโรคโรคภัคไข้เจ็บต่างๆก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในร่างกายฉันใดถ้าใจมี ทานสิงภาวนาที่มีกำลังมากกว่ากำลังของความอยากต่างๆก็จะสามารถทำลายความอยากทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจได้พอไม่มีความอยากหเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะไม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องเกิดใหม่ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุยและได้ทรงปฏิบัติจนพระทัยของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆทำให้พระทัยของพระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรุแล้วก็นำเอาคำสอนนี้ มาเผยแป่สัมสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาน้อมนำาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติผู้นั้นก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความ ของการเวียนว่ายตายเกิดได้หยุดความอยากด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัรโลกพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้ความจริงของ ปัญหาของพวกเราได้พวกเราจะไม่รู้ว่าทําไมพวกเราจึงเกิดมากันแล้วเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อทําอะไรพวกเราทุกคนต้องการความสุขต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ทําไมเราจึงไม่สามารถหาความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันแต่ถ้าพวกเราสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พวกเราก็จะสามารถพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้และหลุดพ้นจากกามทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราถ้าเราต้องการที่จะมีแต่ความสุขไม่ต้องการมีความทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติสามประการนี้คือทานศีลและภาวนาทานก็คือการแบ่งปัน ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็นความจำเป็นของเราคืออะไรก็คือการดำรงชีพเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยสี่ถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วส่วนที่เหลือเราควรจะแบ่งปันให้แก่ผู้เราอย่า เอาส่วนที่เหลือส่วนที่เกินนี้มาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆเพราะความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มหอ่อความทุกข์เอาไว้เวลาเราได้ซื้อความสุขต่างๆด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเรา เราจะได้ความสุขชั่วขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปเนือแต่ความทุกข์ที่เกิดความอยากจะได้เสพความสุขอีกถ้าเราหาความสุขจากการใช้เงินทองใช้สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่เราก็จะต้องหา ความสุขอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่งความพอแต่เป็นความสุขที่จะกระตุ้นให้เกิดความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราอย่าเอาสมบัติเข้าของเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆ เช่นซื้อความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เราเอาเงินทองนี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเพราะจะเป็นการสร้างความสุขที่ดีกว่าความสุขที่จะอยู่กับใจเราไปเป็นเวลาอันยาวนานก็คือเวลาที่เรา ได้แบ่งปันสมบัติข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นใจของเราจะมีความสุขจะมีความเย็นสบายมีความอิ่มแล้วเราจะไม่หิวกับความสุขทางตาหูจนูกรื่นกายไม่หิวกับความสุขทางลาบยกสรรเสริญถ้าเราทำอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะ ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายกับการแสวงหาสิ่งต่างๆ ต, ต้องวุ่นวาย ก, กับการดูแลรักษาสิ่งต่างๆและต้องเศร้าโศกเสียใจ เวลาที่จะต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆไปเพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่จะต้องหมดสภาพไปเวลาที่สิ่งเหล่านี้หมดสภาพไปใจที่ยังต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นเครื่องมือ หาความสุขให้ก็จะต้องทุกขทรมานใจเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าได้มันทําบุญให้ทาาอยู่เรื่อยๆใจจะมีความสุขที่อยู่ติดกับใจที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยลาบยศเสริญไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพชนิดต่างๆให้เป็น เรื่องมือหาความสุขเวลาที่จะต้องพัดพาดจากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปก็จะไปได้อย่างมีความสุขเพราะใจมีความสุขอยู่ในใจอยู่แล้วที่เกิดจากการทำทานนี้เองแล้วนอกจากการที่เราได้ความสุขจากการทำทานแล้วก็จะทำให้เรามีเวลาที่เราจะได้มาสร้างความสุข ที่ดีกว่าอีกสองระดับด้วยกันก็คือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลและความสุขที่เกิดจากการภาวนาเพราะเป็นความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆนั่นเองการทําทานก็ได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดไปในระดับหนึ่งมารักษาศีลก็จะหยุดความอยากได้อีกในระดับหนึ่ง ความอยากที่จะทำบาปทำกรรมเนื่องจากมีความโลภอยากได้ลาภยศสารเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายก็จะถูกการรักษาศีลนี้คอยอป้องกันหรือคอยกั้นไว้ไม่ให้ออกไปทำตามความอยากที่จะทา้งความทุกข์ให้แก่ใจ เพราะเวลาทำบาปเช่นเวลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดตดเสพสุรายาเมาจะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นนั่นเองจะสร้างความไม่สบายใจเพราะเวลาที่เราไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นใจของเราจะมีความวิตกกังวล จะมีความหวาดกลัวกับวิบากกรรมที่ได้ทำเอาไว้แต่ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ใจของเราก็จะสงบจะเย็นจะสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่วุ่นวายและเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายเพืที่รักษาศีล5ได้อย่างตลอดเวลา จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสูรกายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในนรกเพราะมีศีลคอยรักษาเอาไว้นี่คือความสุขและการที่เกิดจากการยุติความอยาที่จะไปกระทาบาปกัรต่างๆ ก็จะทำให้ใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความสุขที่ได้จากการรักษาศีนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าความสุขที่ได้จากการให้ทานแต่ก่อนที่จะรักษาศีนได้ก็จำเป็นจะต้องให้ทานก่อนเพราะการให้ทานนี้จะทำให้เกิดมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น จะไม่อยากที่จะเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ผู้ที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอจะมีความอบอ้อมอารีจะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายนี่คือการหยุดความอยากในสองระดับแรกแต่เป็นเพียงกัน้นเอาไว้หรือเป็นเพียงทำให้กำลังของความอยากนั้น อ่อนลงไปแต่ยังไม่สามารถทำลายความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้การที่จะทำให้ความอยากหมดสิ้นไปจากใจได้จำเป็นต้องปฏิบัติทำขั้นที่สามคือการภาวนาการภาวนานี้จะเป็นผู้ที่จะทำลายความอยากทั้งสามคือการมรรตันหาภาวะตันหา และวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจให้หมดไปอย่างถาวรไม่มีวันที่จะฟื้นคืนทีพขึ้นมาได้อีกต่อไปการภาวนานี้ท่านก็แบ่งไว้สองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาคือการทำความรู้แจ้งเห็นจริงที่จะ ทำลายความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆ mm hmm. ขั้นแรกนี้เราต้องทำใจให้สงบก่อนเพราะความอยากที่อยู่ในใจถ้าใจยังไม่สงบความอยากก็จะทำงานได้จะต่อสู้กับเราได้เหมือนกับเวลาที่หมอจะทำการผ่าตัดคนไข้ ก่อนที่จะผ่าตัดคนไข้นั้นหมอต้องให้ยาสลบก่อนเพื่อให้คนไข้นอนนิ่งๆไม่ดิ้นเพราะถ้าไม่ไม่สลบแล้วเวลาผ่าคนไข้เกิดอาการเจ็บก็จะต้องดิ้นหมอก็จะไม่สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยฉันใดก่อนที่เราจะทำลายความอยากด้ให ให้หมดไปได้ขั้นแรกเราต้องทำให้ความอยากนี้สงบไปก่อนทำให้ความอยากมีกาลังอ่อนลงไปก่อนด้วยการทำใจให้สงบเพราะเวลาที่ใจสงบนี้ความอยากไม่สามารถทำงานได้เพราะความอยากต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งของใจแต่เวลาใจสงบ ความคิดปรุงแต่ก็จะหยุดไปชั่วคราวตอนนั้นความอยากก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับได้เข้าสู่พระนิพพานแต่เป็นพระนิพพานชั่วคราวเพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมาความอยากก็จะค่อยๆฟื้นตามมากับความคิดปรุงแต่งต่างๆ ต, ตอนนั้นจึงต้องทำ การภาวนาระดับที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาก็คือต้องสอนใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆไม่ให้อยากมีอยากเป็นไม่ให้อยากไม่มีอยากไม่เป็นเพราะความเวลาเกิดความอยากจะทาให้ใจกังวลกังวยกระสับกระส่าย ไม่มีความสงบไม่มีความสมุขพอออกจากสมาธิมาแล้วเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องคอยเฝ้าดูว่าจะคิดไปในทางความอยากหรือไม่ถ้าคิดไปในทางความอยากก็ต้องใช้ความจริงมาสกัดกั้นว่าสิ่งที่ความอยากอยากได้นั้นไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงให้ความสุขปลอง แต่จะให้ความทุกข์เพราะว่าเวลาได้อะไรมาแล้วก็จะสุขเดียวเดียวแล้วก็อยากจะได้ใหม่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่ได้ก็ต้องดูแลรักษาก็จะเกิดความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความห่วงใ่แล้วก็จะเกิดความทุกข์เมื่อสิ่งที่ได้มาต้องจากเราไป เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มานั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนคือมีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาและเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถถือว่าเป็นของเราได้เพราะเราไม่สามารถไปสั่งไปห้ามให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้นั่นเองถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไร เช่นเราได้ร่างกายมาร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครได้ร่างกายของสามีของภรรยามาเวลาที่เขาแก่เขาเจ็บเขาตายจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจได้ร่างกายของบุตรของธิดามาก็เช่นเดียวกันได้ข้าวของต่างๆมา ก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเราเห็นว่าเราจะได้ความทุกจากการได้สิ่งต่างๆมาเราก็จะไม่อยากจะได้เราก็จะหยุดความอยากได้นี่คือวิปัสสนาที่จะมาแก้ความหลงของใจที่มองไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความมองไม่เห็นความทุกข์มองไม่เห็นความที่ไม่มีอะไรเป็นของตน ในสิ่งต่างๆนั่นเองพอสอนได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถสั่งให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นไปความต้องการของเราได้ตลอดใจก็จะไม่อยากได้เพราะรู้ว่าเป็นการได้ความทุกข์มานั่นเองสู้อยู่เฉยๆดีกว่า อยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่ถาวรและผู้ที่ได้ความสุขนี้แล้วจะไม่มีวนันสูญเสียความสุขนี้ไปเวลาที่จะต้องพัดภาพจากสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เคยหลงรักเคยหลงชอบอยู่จะไม่รู้สึกเศร้าสศกเสียใจเพราะใจ มีความสุขที่ดีกว่าไม่ต้องอาศัยความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายนี้อีกต่อไปร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจที่มีสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะใจจะมีความสุขที่ดีกว่า จึงไม่ต้องอาศัยความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองนี่แหละคือการที่เราจะยุติความอยากยุติความทุกข์ยุติการเมีอนไหวาตายเกิดได้ยุติด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสามประการนี้คือทำทานรักษาศีล และภาวนาถ้าเราทำได้เต็มร้อยทำได้ครบถ้วนเราก็จะได้ผลเต็มร้อยถ้าเราทำได้เพียงครึ่งเดียวเราก็จะได้ผลเพียงครึ่งเดียวผลนี้เกิดจากเหตุคือการกระทำของเราไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าหรือเกิดจากพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพียงผู้บอกเหตุให้กับเรา สอนเราให้รู้จักวิธีที่จะทำให้เราได้พบความสุขได้หยุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็คือทำทานรักษาศีลและภาวนานีเองจึงขอฝากเรื่องของการมาล้ำลึก ถึงวันรตรศูดิวันตัดสรุวันเสด็จดับขันธปาณิพานของพระบรมศาสดาของพวกเรานี้ให้พวกเราได้เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรและการดับทุกที่ถาวรที่จะตามมาต่อไป